ลำดับที่ห้าเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2552โดยพระคันชิตคุณวรรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมขอเจริญพร ในวันเสาร์นี้เราก็ได้ปฏิบัติกรรมฐ า, านกันประมาณเก็บหนึ่งชั่วโมงนะเราจะฝึกกันอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเพราะว่าโยมจะได้มีโอกาสในงของการฝึกเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมก่อนที่เราจะฟังทำด้วยแล้วเป็นการฝึกจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นจิตที่พองสายด้วยเมื่อที่ฟังอย่างเดียวไม่มาลองทดลองดูเราจะไม่ทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างตอนที่ปฏิบัติ แล้วก็ความสงบความเย็ยนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆวันนี้ก็จะได้คุยกันต่อแต่ว่าจะไม่ได้สอนในเรื่องของการปฏิบัติต่อแล้วจะมาครอบสูตในเรื่องของเนื้อหาตอนนี้ยังจากครั้งก่อนครั้งก่อนนู้นก่อนที่จะสอนปฏิบัติอาตมาได้สอนถึงในเรื่องของมัสมีองแปดอริยสัจ ส, สี่แล้วก็ต่อด้วยมัสมีองแปดวันนี้จะพูดในอีกหัวข้อหนึ่ง ก็คือหัวข้อที่คนไทยมักจะเคยได้ยินกันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันคือเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยในสังคมไทยเรามานานก็คือเรื่องของการทาบุญนะเพราะว่าพุทธศาสนาในเวลาเราคุยกันเนี่ยมักจะเป็นเรื่องแรกเลยอย่างเราทุกวันนี้พอมีเวลาว่างหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือวันเกิดก็ตาม เราก็มักจะเดินไปทำบุญกันใช่ไหมเรามักจะไปทำบุญกันแต่ว่าโยมได้ทราบไหมว่าจริงๆแล้วคำว่าบุญนั้นคืออะไรแล้วทำอย่างไรคือการทำบุญที่แท้จริงทำอย่างไรจรึงจะได้บุญจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่รูปแบบอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นหลักการเบื้องต้นเลยนะในเรื่องของการทำบุญก่อนอื่นอยากให้โยมมาทาความเข้าใจ ความหมายของคําว่าบุญก่อนว่าคําว่าบุญนั้นหมายถึงอะไรปรกติเวลาคนไปทําบุญนั้นเราบ่อจะพูดว่าเดินทางไปทําบุญหรือได้บุญแต่คําว่าบุญคืออะไรบางทีเราไม่เคยมาถามตัวเองรู้แต่ว่าทําแล้วสบายใจรู้สึกว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีนเราก็รู้สึกว่าได้บุญแล้วบางครั้งไปเข้าใจความหมายในเรื่องของบุญนั้น เป็นเหมือนกับเงินเก็บในธนาคารคือ <c ười> ทำมาไว้เก็บไว้ในหมือยธนใ น, ในธนาคารจะได้เบิกมาใช้ในอนาคตหรือในชาติหน้าเป็นอย่างนั้นไปเลยนะอันนี้เป็นความหมายโดยทั่วไปที่คนไทยมักจะคิดกันนะแต่ว่าโดยความหมายจริงๆแล้วคำว่าบุญ น, นั้นคืออะไรคนนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันก่อนอื่นเรามาดูความหมายก่อนคำว่าบุญ น, นั้นนะท่านบอกความหมายเมื่อหลายความหมายด้วยกัน ควมหมายแรกของคำว่าบุญนะท่านบอกว่าคำว่าบุญนั้นหมายถึงเครื่องชำระล้างกิเลสในจิตใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โยมทําอะไรก็ตามที่เป็นการชำระล้างกิเลสหรือชำระล้างความเศร้าหมองในจิตใจขณะที่โยมทําสิ่งนั้นเป็นการทําบุญทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโยมไม่จําเป็นต้องเอาของมาถวายพระจึงเป็นการทําบุญใช่ไม่ใช่ อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานไม่ว่าอยู่ที่ไหนโยมสามารถทำได้ตลอดทำด้วยการทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นจิตใจที่ดีงามชาระล้างเกล็จออกจากจิตใจนั่นเองซึ่งรูปแบบของการชาระล้างเกล็จออกจากจิตใจมีหลายรูปแบบด้วยกันอันนี้เดี๋ยวจะได้กล่าวไปถึงทัวรูปแบบต่ออีกทีหนึง่งเอาความหมายก่อนมันถ้าจะพูดอย่างง่ายๆเมื่อไรก็ตามที่ยโยม ตั้งเจตนาที่ดีงามทำให้จิตใจของโยมผ่องใสเบิกบานนะมีความสุขเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมความดีงามนะเช่นมีความเสียสละมีความเผื่อแผ่แบ่งปันอันนี้เป็นการชำระล้างความติดใจความชอบใจความเพลิดเพลินความยินดีใช่ไหมอันนี้เรียกว่าชำระล้างความโลภในขณะนั้นก็เรียกว่าโยมได้ทาบุญละนะ <c oughs> ตั้งเจตนาที่ดีเป็นจิตใจที่มีเมตตาไม่ให้ความเกิดโกรธเข้ามาครอบงำหรือว่าเกิดขึ้นในจิตใจตอนนั้นก็เรียกว่าโยมวกกำลังทำบุญเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งไฝ่ศึกษาหาความรู้บรรเทาความวาหงงเหงาหานอนหรือความคิดฟุ้งซ่านให้มาอยู่กับเรื่องราวหรือสิ่งที่ดีงามจะล ง, งจิตใจและไม่เกิดความเพียรในภาคเพียนพยายามในการทาหน้าที่การงาน เป็นจิตใจที่สงบในขณะที่โยมกําลังทําอย่างนี้นะตั้งเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็เรียกว่าโยมก็กําลังทําบุญเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทำบุญในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าโยมทําได้ตลอดเลยใช่ไหมอย่างที่เราฝึกกันหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยละโยมก็กําลังทําบุญอยูนะ่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราฝึกนั้นบางทีมันมรู้สึกง่วงบ้างบางทีมันมรู้สึกฟุ้งซ่านบ้างบางทีมันมรู้สึกเบื่อบ้างนะพยายามตั้งใจ ตั้งใจชั่งะล้างสิ่งเหล่านั้นออกจากจิตใจมีความเพียรพยายามในการทำนะตั้งเจตนาให้ดีงามนะนั่นแหละบุญกุศลก็กําลังเกิดขึ้นใน จ, จ, จิตใจของโยมนะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้หลงไปตามความเพลิดเพลินความยินดีนั่นคือชั่งะล้างความโลภใช่ไหมนั่นแหละบุญกุศลกําลังเกิดขึ้นใน จ, จ, จ, จิตใจของโยมนะอันนี้ความหมายแรกของการทําบุญความหมายที่สองทนะ่านบอกว่าบุญนั้น หมายถึงกุศลหรือคุณงามความดีที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกในที่นี้หมายถึงการที่เราทำสิ่งที่ดีงามนะไม่ว่าทางด้านพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็าตามซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามก็ให้เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเราเองต่อบุคคลรอบข้างและต่อสังคมในขณะนั้น ก็เรียกว่าโยมก็กําลังทําบุญอยู่อย่างโยมมาจเจริญสมถกรรมฐานนี่ยังจะอยู่ในฝ่ายของการทําบุญอยู่โยมจเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้ายังอยู่ในฝ่ายตอนต้นเริ่มต้นก็เรียกได้ว่าการทําบุญอยู่ยังเรียกว่าการทําบุญอยู่เพราะยังเกี่ยวข้องยังเกี่ยวเนื่องกับการมีตัวตนต่อเมื่อโยมปฏิบัติถึงขั้นสูงในการลากจากกิเลสได้อย่างแท้จริงตรงนั้นเราจะเรียกว่าเป็นกุศลแทนและนะ เราเรียกว่าเป็นกุศลจริงๆกุศลมีความหมายกว้างกว่าบุญความหมายครอบคลุมถึงบุญด้วยเดี๋ยวคาว่ากุศลอาตมา จ, จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการทําอะไรที่เป็นคุณงามความดีนะเอ่อเพื่อเผื่อแผ่ต่อการมีน้ําใจเสียสละแม้กระทั่งพัฒนาจิตใจให้ดีงามนะนี่เกิดคุณงามความดีใช่ไหมเกิดจิตที่เป็นมีคุณภาพเป็นจิตใจที่ดีงามนั่นก็เรียกว่าการทําบุญเช่นเดียวกัน อันนี้ความหมายอย่างที่สองคล้ายกับแบบแรกเลยใช่ไหมแบบแรกมุ่งในแง่ของการสละกิเล็ดชำระล้างกเกล็ดใน จ, จิตใจแบบที่สองนั้นคําอธิบายอันนี้ออกมาในแง่ของทําให้เกิดความดีงามเกิดขึ้นแบบแรกนั้นเป็นแบบที่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยในแง่ของการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีแบบที่สองนี้นเป็นคําอธิบายในเชิงของการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น อันนี้ความหมายที่2นะบุญนั้นก็คื อ, อาการทำกุศลหรือทำคุณงามความดีที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกประการที่3บุญนั้นเป็นชื่อของความสุขอันนี้มุ่งไปที่ตัวผลอย่างที่เราเรียกว่าผลบุญนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อเราชำระล้างกิเลสออกจาก จ, จิตใจหรือทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นตอนนั้นจิตใจเราเป็นยังไงเอ่ย ผ่องใสเบิกบานมีความสุขใช่ไหมอันนี้มุ่ง ม, มาที่ตัวผลนะท่านจึงบอกว่าบุญนั้นก็คือความสุขนั่นเองนะเหมือนเมื่อเราทำบุญจิตใจก็จะผ่องใสดีงามแล้วก็มีความสุขแต่ความสุขทั้งหมดไม่ใช่บุญนะแยกสองอย่างนี้ออกจากกาันก่อนเมื่อทำสิ่งสียงามความสุขจะเกิดขึ้นกับจิตใจของโยม แต่ในขณนะที่โยมมีความสุขนั้นจิตใจโยมไม่จาเป็นต้องเป็นบุญเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราไปดูหนังมีความสุขไหมมีนะอันนั้นเป็นการชำระล้างกิเลสหรือเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนกิเลสนั่นไม่ใช่บุญนะเดี๋ยวจะไปคิดว่าทําอะไรแล้วมีความสุขนั่นคือการทําบุญไม่ใช่นะแต่ถ้าโยมทําสิ่งที่ดีงามหรือทําบุญแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในจิตใจของโยม อ้าวอันนี้มองมองหรือมุ่งไปที่ตัวผลนะมองหรือมุ่งไปที่ตัวผลอันนี้เป็นในเรื่องของตัวความหมายอ้าวใ น, นแง่ของความหมายยมีคำถามไม่เอ่ยไม่มีนะถ้าเข้าใจความหมายแล้วเราลองมาดูซิว่าการทำบุญนั้นมีอะไรบ้างและบุญนั้นสัมพันธ์กับกุศลอย่างไร คำอีกคำหนึ่งที่ในทางธรรมะเรามักจะเคยได้ยินกันก็คือคำว่ากุศลกุศนละนั้นหมายความว่าอย่างไรกุศลนั้นถ้าจะแปลนะพระเด้พระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ท่านแปลออกมาเป็นตัวศัตว์ในภาษาไทยหลายคำด้วยกันหนึ่งกุศลคือภาวะที่เกื้อกูลภาวะที่ดีงามเป็นสภาพที่ประกอบด้วยปัญญา หรือเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นภาวะที่ทำออกไปแล้วก่อให้เกิดสภาพที่ดีงามหรือความคล่องความสบายเกิดขึ้นคล่องสบายในที่นี้ไม่ใช่สะดวกสบายหมายถึงคล่องสบายได้ไงเมื่อเกิดความดีงามแล้วทําอะไรเรารู้สึกคล่องปลอดโปรงรู้สึกสบายอันนี้จะเป็นคาว่ากุศล เป็นการกระทําที่ประกอบด้วยปัญญารู้จักและเข้าใจตามความเป็นจริงทําได้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นจึงทําให้เกิดความเคกื้อกูลความดีงามและก็ความสุขนี่คือความหมายของคําว่ากุศลเพราะฉะนั้นความหมายของกุศลนั้นจะครอบคลุมความหมายของคําว่าบุญด้วยครอบคลุมความหมายของคําว่าบุญด้วย นอกจากนั้นคำว่ากุศลในที่นี้มีความหมายมากไปกว่าบุญหรือกว้างกว่าบุญตรงที่ว่าในขณะที่เรากำจัดกิเลสออกจากจิตใจทั้งหมดนะหรือตอนที่เราประพฤติปฏิบัติในขั้นของการบรรลุอริยบุคคลตอนนั้นเราไม่เรียกว่าบุญเพราะบุญนั้นยังเกี่ยวข้องอยู่ในสังสารวัตรตอนนั้นเราจะเรียกเป็นคาเดียวว่ากุศลเท่านั้น แต่ในขณะที่เราทำคุณงามความดีในชีวิตประจำวันนั้นเราเรียกว่าการทาบุญด้วยและอาจจะเรียกว่าเป็นการทากุศลด้วยก็ได้เช่นเดียวกันยมพอมองเห็นใช่ไหมถ้าอธิบายในเชิงของคณิตศาสตร์นิดหนึ่งอาจจะเรียกว่าบุญนั้นเป็นสับเซตของกุศล <c oughs> เข้าใจคาว่าสับเซตไหมนโะยมบางท่านเรียน เรียนทางคณิตศาสตร์มาเรียนเรื่องเซตมาตอนสมัยมัธยมนะบุญนั้นเป็นเพียงแค่สัพเซตของกุศลเท่านั้นเองนะส่วนที่ไม่อยู่ในสายของบุญเลยก็คือในส่วนของการบรรลุอริยบุคคลหรือขั้นของการกำจัดกิเลสออจากจิตใจทั้งหมดเช่นตอนบรรลุ ถ, ถึงขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ตอนนั้นเราจะไม่เรียกการกระทาของท่านว่าเป็นบุญละ เราจะเรียกว่าเป็นกิริยาเราเรยาเป็นกิริยาตอนนั้นเรียกว่าทากิริยาที่เป็นกุศลนะคือภาวะที่เกื้อกูลดีงามแยกออกจากกันได้นะเพราะเมื่อบุญนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกุศลเท่านั้นแล้วเรามีหลักเกณฑ์ยอย่างไรในการที่จะตัดสินว่าสิ่งที่เราทำนั้นอะไรเป็นบุญกุศลนะอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศล ท่นมีหลักให้อย่างนี้ถ้ามีหลักให้อย่างนี้อย่างแรกเลยให้มองดูที่เจตนาของเราอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์หลักเลยนะในการตัดสินว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นบุญไหมเป็นกุศลหรือเปล่าให้ดูที่เจตนาของเราเจตนาของเรานั้นมีอะไรเป็นมูลเหตุในการคิดพูดหรือกระทําออกไปอย่างนั้น อันนี้เราเรียกว่าดูที่หมูนะมูลก็คือตัวตั้งต้นก็คือเจตนาตั้งต้นนั่นเองถ้าการกระทำอะไรก็ตามการตั้งเจตนาหรือการคิดการพูดการกระทาอะไรก็ตามที่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นมมลเหตุสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าอากุศลทั้งหมดเลย เติมอากเข้าไปก็หมายถึงภาวะที่ไม่คล่องไม่ฉลาดไม่เกื้อกูลนะไม่ดีงามนั่นเองคำนะว่าอักกุศลนี่ดูอย่างแรกและเจตนาการคิดการพูดการกระทำแบบนั้นจะไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลทั้งสิน้นนี่ตัวมูลเหตุอย่างหลักเลยนะอานตามายกตัวอย่างเช่นนะยมหลายท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ เห็นลูกทําสิ่งที่ไม่ดีตอนที่โยมเห็นลูกทําสิ่งที่ไม่ดีโยมรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะอยากจะตักเตือนลูกตอนนั้นยังไม่เกิดความโกรธความปรารถนานี้เฟคขึ้นตอนนั้นโยมจะรู้สึกดีมีความสุขแต่ถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังคันนี้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยโกรธนะขณะว่าลูกด้วยความโกรธอย่างนั้นเป็นบุญไหมไม่ใช่นะเพราะมีโทสะเป็นแรงผลักดันนะ โยมอาจจะอ้างว่าที่โกรธนี้เพราะว่ารักลูกได้นะแต่ให้รู้ว่านั่นไม่ใช่กุศลนะให้รู้ว่าในขณะที่ทําเช่นนั้นนั่นแหละโยมกําลังทําสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลนะคําว่าอ ก, กุศลนั้นในภาษาธรรมะท่านจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือคําว่าบาปเคยได้ยินใช่ไหมคําว่าบาปนั้นก็คือภาวะที่เป็นอ ก, กุศลนั่นเองนะสองคำนี้จะใช้แทนกันได้เลยะจะใช้แทนกันได้แต่กุศลกับบุญนี้ ใช้ในความหมายต่างกันเพราะบุญมีความหมายแคบกว่ากุศลมันกุศลอย่างที่ยังติดอยู่ในโลกเราจะเรียกว่าบุญเข้าใจนะเอานะอันนี้ดูที่มูลเหตุแต่ถ้าการกระทำอะไรก็ตามเจตนาที่เราตั้งนั้นเป็นเจตนาที่ไม่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลง ไม่ประกอบด้วยความโลภคือไม่ใช่ยึดติดอยากให้ได้ดังใจเพื่อเพลินยินดีนะแต่ทำด้วยความรู้ความเข้าใจนะหรือมีความเสียสละนะไม่ประกอบด้วยความโกรธนะแต่มีเมตตาไม่ประกอบด้วยความหลงเพราะทำด้วยปัญญาและรู้เข้าใจนะเจตนาอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นบุญนะเราเรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นกุศลทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่างแรกดูที่มูลเหตุมันความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้นะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอกุสลละมลเคยได้ยินใช่ไหมโมลก็คือเหตุหรือต้นเขานะเหตุหรือต้นเขาของอกุศนั่นเองอกุสลละมลส่วนอะโลภนะเติมอะเข้าไปข้างหน้าอะโทสะอะโมหะ คือความไม่โลภไม่ติดใจไม่ใช่ว่าจะเอาอยากได้ดังใจของตัวเองนะแต่ดูตามเหตุตามปัจจัยไม่เกิดการกระทบกระทั่งแต่มีจิตใจที่ดีงามตั้งจิตเมตตาหรือการุณาต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างทำด้วยความรู้ความเข้าใจมีปัญญาไม่ใช่ทำตามความเคยชินนะกลุ่มนี้เราก็เลยมีชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่อ่ะละต้องเป็น กุศลมูลใช่ไหมเป็นกุศลลมูลนะมันกุศลลมูลก็ได้แก่อโลภะอโทสะโมหะนั่นเองนะแต่พยนต์ต้องเข้าใจนะคาว่าอโลภะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วอยากได้แล้วเร า, วาไม่อยากได้ไม่ใช่อาการอย่างนั้นนะหมายถึงไม่ใช่เอาตามใจของตัวเองไม่ได้เอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งนะแต่มองไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะทําที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่ทําเพราะยึดติด แต่ทำด้วยความที่เรารู้สึกว่าปล่อยวางได้แต่พยายามจัดสรรเพื่อให้เกิดความดีงามเกิดขึ้นอันนี้อโลภะคืออย่างนี้แต่ถ้าเราทำด้วยความรู้สึกพเพลิดเพลินยินดีติดใจอยากได้นะถ้าเป็นอาการอย่างนี้เราก็ให้รู้ว่าเป็นอาการของโลภนะแต่ถ้าจันทําด้วยจิตที่ปลอดโปรง่งทองสายจัดสรรแล้วก็ทำไปตามเหตุตามปจาัจจัย ใจสามารถปล่อยวางได้ไม่ว่าผลจที่เกิดขึ้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามอย่างนี้เราเรียกว่าอะโลภะส่วนโทสะนั้นเวลาทําเป็นยังไงเอ่ยทําด้วยความรําคาญทําด้วยความกระเทาะกระทั่งรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นไปอย่างใจแต่พอไ ม, ไม่ได้มันก็เกิดอาการขัดใจเป็นมากาเพราะโกรธเครียดวิตกกังวล หรือเดือดเนือร้อนใจนอาการเหล่านี้เป็นอาการของโทสะทั้งสิน้นวันถ้าโยมตั้งเจตนาประกอบด้วยอาการอย่างนี้อยู่นะโยมอย่าไปอ้างคำพูดนะว่าขณะนั้นด้วยความหวังดีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้รู้ว่าในขณะนั้นจิตใจของโยมเป็นยังไงเอ่ยกำลังเป็นภาวะที่เป็นอกุศลคือเกิดโทสะเกิดขึ้นแล้ว และส่วนใหญ่เป็นกันทุกคนใช่ไหมอาการอย่างนี้เวลาเจออะไรไม่พอใจขึ้นมาพอมาเกิดความโกรธเรามักจะมีคําพูดเป็นข้ออ้างเรื่อยแต่เราไม่ได้กลับเข้ามาดูตัวภาวะในจิตใจนพอไม่ได้ดังใจขึ้นมาโกรธพอโกรธก็บอกว่าเนี่ยทำเพราะรับเพราะหวังดีทําไมไม่ทําเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการโกรธอาการติดอัดขับข้่องขึ้นแต่ให้โยมรู้ว่าขณะนั้นจิตใจของโยมเป็นอกุศลแล้วโทสะกําลังคร่บงาจิตใจและในขณะนั้น จะมีแต่อาการที่ออกไปด้วยความไม่รู้คืออยากจะให้ได้แล้วก็จะระเบิดอารมณ์ออกไปหรือเกิดอาการอึดอัดคุณค้องหมองใจเกิดขึ้นอ่านะเข้าใจคําว่าโทสะและอโทสะเหรอนะนะอาโทสะก็ตรงกันข้ามในขณะที่โยมทําด้วยความเมตตานะอย่างเช่นตักเตือนผู้ร่วมงานตักเตือนเพื่อนหรือแม้กระทั่งลูกๆด้วยความรู้สึกว่าอยาก ด้วยความรู้สึกว่าอยากสร้างสรรค์ให้เขาเกิดความดีงามนะตั้งใจปรารถนาดีกับเขาต้องการที่จะฝึกเขาในขณะที่โยมทําอย่างนั้นจิตของโยมจะกลับเบิก บ, บานแล้วก็มีความสุขรู้สึกทังสิ่งที่ดีงามที่เรากําลังทําให้กับเขาเขาอาจจะทําไม่ได้นะขณะนี้เราก็พยายามที่จะหากลวิธีแล้วก็รูปแบบใหม่ๆ ห, นะหรือวิธีการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาให้เรารู้และเข้าใจนะหรือปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีงามในขณะที่โยมทำอย่างนั้น จ, จิตใจมันกับปลอดโปรง่งใช่ไหมไม่ใช่อาการอ่ดอัดขุนคล้องไม่ใช่อยากได้อยากให้เขาเป็นอย่างที่ฉันต้องการแต่เป็นความอยากที่จะช่วยเขาในการพัฒนามีความสุขในการที่ได้ช่วยเขาให้พัฒนาถ้าอาการอย่างนี้ยังอยู่ในฝ่ายของพวกอโทสะนะะโทสะแต่ถ้าอยากให้เขาเป็นอย่างใจของเราเนี่ยเป็นพวกของโลภะ พวกนี้พอไม่ได้แล้วอาการโทสะจะเกิดลองสังเกตง่ายๆนะแต่ถ้าอยากช่วยเขานะมีความสุขในการที่ได้ช่วยเขาตอนนั้นแม้แม้ว่าเขาไม่ได้ทําอย่างที่เราต้องการหรือผลที่ได้ไม่เกิดขึ้นแต่เราจะมีความสุขว่าเราได้พยายามช่วยเขาอย่างเต็มที่แล้วนี่คือทําด้วยใจที่เราไม่เข้าไปเกาะหรือว่าติดจิตแต่พยายามทําอย่างเต็มที่ทําด้วยการตั้งเจตนานที่ดีงาม ถ้าโยมทำอย่างนี้เราเรียกว่าจิตใจในขณ ะ, ะนั้นก็กำลังเกิดฝ่ายของกุศลด้วยนะประการที่สามนะคำว่าโมหะโมหะนั้นเวลาแปลมักจะแปลว่าความหลงหรือความไม่รู้แต่โดยอาการนั้นมีหลายอาการด้วยกันโนะยมลองสังเกตในชีวิตประจาวันของโยมนะอย่างแรกนะทำหรือเกี่ยวข้องด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้หดหู่ อาการที่ยมทําอย่างนั้นเี่ยแสดงว่าโมหะกำลังครอบงำมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นถึงภาวะที่ควรจะเป็นณขณะนั้นๆมันทาก็ทําเป็นแบบสังกตายหรือเซ็งนะหรือเบือหน่ายหรือง่วงเหงาหงานอนนะพราะงาเหงาเหงาหานอนเนะ น, น, นี่ยไม่อยากทํและขี้เกียจนะอาการแบบนี้โมหะทั้งสิ้นเลยนะอาการขี้เกียจเบือหน่ายเซ็งนะเสื่องซึม ไม่อยากกระดิกตัวอยากอยู่เฉยๆหรืออยากนอนอาการอย่างนี้แหละอาการโมหละล่ะนะอาการอย่างที่สองอาการลังเลอาการสงสยัยอาการไม่แน่ใจทำให้ตัดสินใจไม่ได้พวกนี้โมหะเหมือนกันลังเลสงสยัยไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้จะทำอย่างนี้ดีหรือจะทำอย่างนี้ดีจะเอาแบบไหนดีมันก็ซัดสายร่วนเร นี่ก็อาการของโมหะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเนื่องจากขาดปัญญาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนั่นเองอาการอย่างที่สามอาการที่มีอาการซัดสายฟุ้งซ่านคิดอยู่ตลอดเดี๋ยวเรื่องนั้นทีเดี๋ยวเรื่องนี้ทีจะทำอย่างหนึ่งมันมีหลายเรื่องอีกสิบเรื่องพุดขึ้นมานะทาให้ความคิดไม่ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่สั้สายสายไปสายมาอาการอย่างนี้ก็เป็นอาการของโมหะเช่นเดียวกันนี่คืออาการที่จะเกิดแต่สิ่งที่โยมจะได้สังเกตเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึง่งคือทำไปตามความเคยชินไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณานี่คือทำโดยขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเกี่ยวข้อง ไม่รู้เลยเคยทํำยังไงก็ทําไปแบบเก่าไม่ได้ใช้ปัญญาในการไตรตรองในการพิจารณาหรือมีอาการกระโดดจับหรือตะครุบอยู่ตลอดว่านี่เป็นของฉันจะได้อย่างใจของฉันอาการอย่างนี้ก็เป็นอาการของโมหะเช่นเดียวกันเราเรียกว่ า, าการขาดปัญญานั่นเองขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจว่าภาวะสิ่งต่างๆ ที่เราเกี่ยวข้องหรือที่ผ่านเข้ามานั้นเป็นเพียงแค่ของชั่วกราวเท่านั้นมักคิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดสิ่งนั้นเราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเนะี่ยความรู้สึกอย่างนี้เป็นอาการของโมหะทั้งสิ้นเลยหรือแม้กระทั่งร่างกายเราคิดว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเรารู้สึกว่าเป็นของเราเนี่ในขณะที่เกิดอาการและความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโมหะและ โมหะในขั้นนี้มันจะเป็นในขั้นที่ขั้นละเอียดเป็นขั้นละเอียดอันนี้กำจัดได้ยากนิดหนึ่งสามอย่างแรกที่อาตมากล่าวถึงนั้นเป็นขั้นหยาบเป็นโมหะแบบหยาบมันจะแสดงอาการออกมาชัดเลยคราวนี้อ่โมหะเป็นอย่างไรอย่างเมื่อกี้โมหะเข้าใจไหมเอ่ยมีคำถามไหมไม่มีนะแล้วอาโมหะเป็นอย่างไร อโมหะนั้นหมายถึงการที่เราตั้งเจตนาหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในขณะที่ทำนั้นมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงแค่ของเชื่วคราวมองเห็นคุณค่าของวันเวลาที่เราจะต้องพยายามทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ในทุกๆขณะแต่ในขณะเดียวกันก็รู้เท่าทันและเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่ของชั่คราวที่ผ่านเข้ามาเท่านั้น ใจจึงไม่เข้าไปติดจิตกับมันในขณะที่ทําอย่างนี้ใจเป็นอิสระปลอดโปรง่งแต่ว่าเร่งทํากิจอย่างเต็มที่ถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ความง่วงเหงาหานอนเบื่อหน่ายเส่งซึมจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดใช่ไหมเพราะเห็นว่าเพคเนี่เราจะได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเมื่อไม่ประมาททาอย่างเต็มที่ ความก้าวเหาหาวนอนเส่อมสื่อไม่เกิดเพราะอาศัยปัญญารู้เข้าใจเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลอย่างแท้จริงจึงตัดสินใจทําได้เต็มที่อาการซัดสายก็ไม่เกิดความลังเล ส, สงสัยก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันกลายเป็นจิตที่สงบผ่องใสมีความเพียรในการทำมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพราะมีปัญญาเป็นตัวนําเป็นตัวชี้แนวทางในการประพฤติในการปฏิบัติ หรือในการตั้งเจตนาอาการอย่างนี้เราเรียกว่าโมห ะ, นะะโมหะเพระนั้นลองสังเกตในชีวิตประจําวันของเราดูนะถ้าเราทําอะไรปุ๊บเราไม่ได้รู้เข้าใจนะทําไปตามความเคยชินหรือทําไปตามความรู้สึกของเราว่าฉันเป็นอย่างนั้นเนะี่ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหันกลับมาถามตัวเองว่าอย่างนั้นคือเพื่อกูลไหม เราตอบไม่ได้ให้รู้ว่าในขณะนั้นเป็นโมหะในขณะนั้นเป็นโมหะแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอ้าวนี่พวกนี้ของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยนะมองออกไปข้างนอกภาวะจิตใจก็เหมือนกันเราควรจัดสรรยังไงก็จัดสรรจัดสรรนักมุ่งทำเหตุทำปัจจัยเพให้เกิดความเกื้อกูลทำด้วยความรู้ความเข้าใจยอย่างนี้เราเรียกว่าหะโมหะอ้าวยมแยกออกนะ อันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์หลักเลยนะเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินเลยถ้าอ ก, กุศละมูลเป็นมูลเหตุพวกนั้นเป็นฝ่ายอกุศ ล, ลหรือเป็นบาปทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นกุศลลมูลเป็นมูลเหตุสิ่งที่ทํานั้นเป็นกุศลถ้าเรายังนั้องเกี่ยวข้องอยู่เกี่ยวเนื่องอยู่กับโลกเราก็เรียกว่าเป็นการทําบุญแต่โดยปกติของญาติโยมทั่วไปขณะ น, นี้ก็ยังเรียกว่าอยู่ในฝ่ายของบุญใช่ไหมยังไม่ใช่ขั้นของการชําระล้างกิเลส ทั้งหมดออกจากจิตใจหรือขั้นของการบรรลุอริยบุคคลพะฉะนั้นก็ยังจัดว่าอยู่ในฝ่ายของบุญนะอันนี้เกณฑ์หลักนะให้เราลองสังเกตและลองถามตัวเองอยู่เสมอนะคอยตั้งสติในการสังเกตให้ดีในขณะที่เรากําลังคิดพูดหรือกระทําอะไรออกไปนะก่อนที่จะทํำสิ่งต่างๆเหล่านั้นสังเกตนิดหนึ่งอะไรเป็นสิ่งผลักดันอะไรเป็นตัวดライブเราให้ทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้เกณฑ์หลัก อย่างที่หนึ่งเกณฑ์หลักอย่างที่สองท่านบอกว่าให้ดูที่สภาพจิตใจอันนี้ใช้ต้องใช้สองอย่างประกอบกันหนึ่งดูจากเจตนาว่ามีอะไรเป็นมูลเหตุสองสังเกตจากสภาพจิตใจสังเกตง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกุศลจิตใจนั้นจะเกิดความปล่อยโปรง่งเบิกบานสดชื่น ่องสมีความสุขหรือไม่ก็สงบตั้งมั่นไม่ซัดสายไม่ฟุ้งซ่านอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นเอายกตัวอย่างเช่นเวลาที่โยมได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาในขณะที่โยมทำโยมรู้สึกว่าเรากำลังได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์เราเห็นปล่อยเข้าลงน้ำเราเห็นเขาไหวไป นะแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้เป็นอิสระตอนนั้นจิตใจโยมเป็นยังไงปอดโปรง่งพองสายมีความสุขใช่ไหมเนะี่ยเจตนานอย่างนั้นเป็นความโลภไหมไม่มีความโกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นไหมไม่เป็นเรื่องของความหลงทำไปตามความเคยชินหรือว่าด้วยทำด้วยความรู้ความเข้าใจถ้าเราคิดอย่างนี้อย่างน้อยรู้เข้าใจในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ในระดับขั้นสูงแต่รู้เข้าใจในระดับหนึ่งท่นโยมลองสังเกตสภาพจิตใจของโยมเหมือนกันโยมมาที่วัดโยมมาถวายของให้กับพระถ้าโยมตั้งใจมาโดยการตั้งเจตนาว่าเราจะได้มาช่วยเหลือเกือยกูลท่านที่กำลังประพฤติปฏิบัติชอบซึ่งท่านไม่สามารถทำมาหากินได้ด้วยตัวของท่านเองเพราะมีพระมีะมนัยเป็นตัวบัญญัติไว้ เรามาสนับสนุนบุคคลที่กําลังทําคุณงามความดีนะอย่างน้อยกําลังพัฒนาตนเองหรือออกไปช่วยเหลือสังคมหรือไปพัฒนาเป็นช่วยสั่งสอนแนวทางที่ดีงามเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยท่านเหล่านี้ให้ประกอบคุณงามความดีช่วยเอื้อโอกาสทําให้ท่านไม่ลาบากตอนนั้นจิตใจโ ย, ยมเป็นยังไงพองสายภูมิใจอิ่มใจใช่ไม่ใช่เจตนาขณะนั้นจะเห็นว่า มันไม่ใช่เพราะยึดติดในตัวบุคคลแต่รู้สึกว่าได้ทําสิ่งที่ดีงามไม่ใช่ความโลภขณะนั้นความโกรธไม่เกิดขึ้นมองด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยก็คือในขั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกจิตใจโยมเป็นยังไงเวลายมทําบุญด้วยความรู้สึกอย่างนี้มันจะเปิดบานมีความสุขรู้สึกภูมิใจรู้สึกอิ่มใจใช่ไม่ใช่ใชเนยถ้าอย่างนี้แหละเราเรียกว่าเป็นบุญละ่เญละเป็นบุญหรือเป็นกุศล นั้นจิตใจก็จะเกิดสภาพปลอดโปรง่งร่าเริงผ่องใสแล้วก็เบิดบานนี้ดูในในแง่ของสภาพจิตแต่ถ้าในทางตรงข้ามทำแล้วจิตใจกลับขุนมัวเศร้าหมองหรือเครียดหรือกังวลไม่ปลอดโปรง่งไม่ผ่องใสนะหรือมีความสุขแต่เป็นความสุขในลักษณะชั่วครั้งชั่วคราวแบบบีบคั้นไม่ใช่ความสุขแบบโปรง่ง ถ้าอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่โยมทำอาจจะไม่ใช่บุญหรือกุศลยกตัวอย่างง่ายๆอย่างยกตัวอย่างมาทำบุญเนี่ยถ้ายอย่างโยมไปทำบุญแล้วนะโยมตั้งใจว่าโยมทำบุญอย่างนี้แล้วนะจะต้องทำให้ธรรมมาค้าขึ้นหรือทำให้โยมสอบได้หรือทำให้โยมได้สิ่งเสพต่างๆกล้ามรวยในขณะที่โยมทำอย่างนั้นจิตใจโยมรู้สึกยังไง ลองสังเกตตัวเองนะนะเจ้าประคุณขอให้ฉันได้อย่างนี้อย่างนี้ในขณะที่ขอให้ฉันได้เนี่ยลองสังเกต ส, าาสาภาพจิตดูมันจะต่างเลยนะขณะที่ขอให้ฉันได้เนี่ยมันจะรู้สึกขุนมัวมันจะไม่โปร่งไม่อิ่มใจไม่ผ่องใสลองสังเกตดูนะเหมือนกันน่ะตอนที่โยมทําบุญน่ะจบนะภาษาไทยเรียกว่าจบตอนอธิษฐานเนีนขอให้ฉันได้อย่างนั้นๆๆอย่างนั้นอ ย, ย่างนั้นโยมลองสังเกตในขณะ น, นั้นดู ใจโยมมันจะไม่เหมือนกับเออดีแล้เนี่ยเราได้ให้เราได้สนับสนุนความสียงามจะได้เกิดขึ้นในสังคมนะท่านเหล่านี้จะได้มีเหตุปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะสองอย่างนี้พอามละความรู้สึกเลยนะลองสังเกตดูนะสังเกตให้ละเอียดนะลองสังเกตให้ละเอียดมันจะเห็นว่าตอนที่ฉันขอให้ฉันได้เนี่ยมันเป็นอาการอย่างหนึ่งของโลภะเป็นอาการอย่างหนึ่งของโลภะนะ ดีนะดีกว่าไม่ได้ทำนะแต่ให้รู้ว่ามันเจือด้วยโลภะนะมันยังไม่ใช่บุญกุศลอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นสิ่งที่คนไทยมักจะทำกันนะมักจะทากันนะจิตเศร้าหมองนะในขณะนั้นเรียกว่าจิตเศร้าหมองมีท่างกุศลในลักษณะหนึ่งนะในแง่ของตอนที่ให้แต่ในขณะเดียวกันมีอกุศลเกิดขึ้นตอนที่เรานึกอยากจะได้ ผลตอบแทนจากสิ่งที่เรากำลังทานั้นๆด้วยมีทั้งสองอย่างประกอบกันแบ่งออกเป็นในแต่ละช่วงเลยนะในขณะโยมตั้งใจนึกจะให้ขณะนั้นเป็นกุศลในขณะที่โยมตั้งใจว่าฉันจะได้อะไรในขณะนั้นเป็นอกุศลนะนนตั้งเจตนาให้ถูกนะเหมือนการเวลาเอาอของไปให้ผู้อื่นนะอันนี้ในแน่ของฐานหรือแม้แต่กระทั่งเรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติแล้วหนึ่งฉันจะได้นะหรือฉันจะเอาไปอวดคนอื่นถ้าอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเลยอกุศลใช่ไหมนะอาการอย่างนี้เป็นอกุศลขึ้นมาทันทีนะอ่าเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เกณฑ์หลักสองอย่างนี้มันยมทําอะไรก็ตามคอยสังเกตเอาไว้นถะ้าเมื่อไหรก็ตามจิตใจคุณมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่ปลอดโปรง่ง ไม่สงบขนาดนั้นให้โยมตั้งข้อสังเกตเลยนั่นแสดงว่าเจตนาที่เราตั้งเนี่ยกำลังเป็นเจตนาที่เป็นอกุศลหรือเปล่าเข้ามาสังเกตภาวะนี้จะไม่โกหกโยมแต่คําพูดนี้โยมอาจจะอ้างคําพูดเข้ามาหลอกตัวเองได้หลายอย่างใช่ไม่ใช่เวลาสังเกตเนี้ให้เข้ามาสังเกตภาวะของจิตใจของเราจริงๆหลังการที่โยมเนี่ยพยายามให้โยมปฏิบัติกรรมฐ า, านะอย่างน้อยนั่งสมาธิเดินจงกรม เวลาใจเราสงบแบบนี้เนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเราจะเห็นชัดว่าภาวะจิตใจมันเป็นยังไงคอยเข้ามาสังเกตได้แลนในขณะที่โยมปฏิบัติเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงเอ่ยมันจะมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเกิดขึ้นใช่ไหมอาตมา ถ, ถึงพยายามเน้นย้ําว่าขณะปฏิบัตินั้นให้ทําด้วยความสุขนะให้รู้สึกว่าทุกขณะคือบุญกุศลนี่คือความดีงามตั้งใจทําให้มีจิตใจที่ปลอดโป ร, รง่งอย่าไปอยากได้ภาวะ แต่ให้รู้สึกมีความสุขในการทำในการสังเกตในการพัฒนาถ้าอย่างนี้จะเป็นฝ่ายของกุศลทำอย่างนี้ใจก็จะสงบได้ดีสงบได้เร็วแล้วก็ปรับปรงงุงผ่องใสแต่ถ้าตอนปฏิบัติเมื่อกี้หลายๆท่านอาจจะเป็นเมื่อไหรมันจะสงบคิดอีกละรำคาญเหลือเกินอย่างนี้กุศลหรืออกุศลอกุศลสังเกตดูนะ เราตั้งตังตั้งถ้าทีได้ถูกเอาล่ะคิดกับช่างมันไม่เป็นอะไรก็ไปทําไปอย่างนี้กลับมาฝ่ายของกุศลตอนนั้นมันจะไม่กิดอัดมันจะปล่อยพรังเนี่ยคอยสังเกตดู น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดอันนี้ในแง่ของส ภ, ภาพหรือภาวะของจิตใจอ่าสองอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณานีอย่างที่สองท่านเรียกว่าเกณฑ์ร่วมนะเกณฑ์ร่วม เกณฑ์ร่วมในที่นี้ไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าเราควรจะพิจารณาประกอบด้วยเราจะได้รู้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงไหมเพราะน้นแง่ของเกณฑ์หลักนี้ยังมุ่งมองที่ตัวของเราเองเกณฑ์ร่วมนี้จะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นออกไปสู่สังคมทั้งในแง่ของพฤติกรรมของเราด้วยเอาเกณฑ์ร่วมนั้นมีอะไรบ้างนะอย่างแรก ตนเองนั้นติเตียนตนเองในสิ่งที่ตนเองกำลังคิดได้ไหมกำลังพูดกำลังทำได้หรือเปล่าพูดอย่างง่ายๆ่คือเมื่อเราคิดพูดหรือกระทำอย่างนั้นเรารู้สึกผิดไหมเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ดีไหมปกติท่านรู้สึกว่าตนเองติเตียนตนเองได้เนะี่ยมันจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นอา่าใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเช่น ยืมทํางานนะบางคนบอกว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายได้หรืออายุทยาให้ใช้ของที่ทํางานได้เราบอกใช้ของที่ทํางานได้แล้วเราเบิกมาเราจะเอามาใช้นี่แต่เอากลับไปใช้ที่บ้านด้วยตอนนั้นยืมลองสังเกตก็ได้นะตอนทําครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมใช่เนี่ยลักษณะว่าตนเองติเตียน ต, ตนเองอยู่มันจะรู้สึกผิดขึ้นมา เอ๊ ه, แต่ว่าโดยหลักโดยเกณฑ์เขาอนุญาตให้เราใชานะ้เราวน่าจะเอาไปใช้ที่บ้านได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมตนเองติเตียนตนเองได้หรือเปล่ารู้สึกผิดไหมที่ทำอย่างนั้นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่ทำอย่างนั้นอันนี้อย่างแรกนะอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ร่วมถือเป็นเกณฑ์ร่วมแต่ปกติถ้าผ่านเกณฑ์หลักแล้วตนเองจะไม่รู้สึกติเตียนเหตัวเองนะเอาอันนี้อย่างแรกอย่างที่สอง วินยูชนคือผู้ที่มีคุณงามความดีประกอบด้วยคุณงามความดีทั้งหลายผู้ที่เป็นนักปราชญนะ์นักปราชญ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารู้ตัวหนังสือนะหมายถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีงามอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านติเตียนในสิ่งที่เราคิดเราพูดเรากระทหรือเปล่าท่านแนะนำหรือว่าท่านบอกว่าสิ่งนั้นอย่าทา ถ้าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ท่านห้ามเป็นสิ่งที่แนะนําว่าเราอย่าไปทํานั่นแสดงว่าแนวโน้มเป็นไปนในทางอกุศลละเราอาจจะมีปัญญา ม, มองให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้ไม่ชัดเจนเท่ากับวิญญาชนเหล่านั้นว่านการที่เราเข้ามาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะทําให้เราเห็นเพราะว่าเราไม่สามารถสังเกตสิ่งต่างๆอย่างละเอียดได้เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจตรงนี้ บางทีในขณะที่ทําเรามองลงไปลึกไม่ถึงตอนนั้นมันก็ยังปลอดโปร่งยังเบกบานอยู่แต่ถ้ามองในแง่ของระยะยาวแล้วปรากฏว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ท่านจึงบอกว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ร่วมวินยูชนนะหรือผู้ที่มีคุณงามความดีมีความรู้ความเข้าใจชีวิตที่อยู่ในสังคมนั้นติเตียนหรือว่าสรเสริญในสิ่งที่เราคิดเราพูดเรากระทานี่เป็นเกณฑร่วมให้ยมคอยสังเกตเอาไว้ อย่างน้อยที่สุดก็เอาหลักคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าได้ตรัสเอาไว้นี่แหละ ว, ว่าสิ่งนั้นท่านห้ามหรือท่านส่งเสริมให้ทำํำเอาอย่างยกตัวอย่างอย่างง่ายๆในสังคมปัจจุบันนั้นโดยความนิยมอาจจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างเช่นการดูการละเล่นหรือแม้แต่กระทั่งการเที่ยวตอนกลางคืนเที่ยวตอนกลางคืนก็นอย่างเช่นการไปดูคอนเสิร์ต ตอกนกลางคืนใช่ไหมไปดูหนังนะหรือแม้แต่กระทั่งไปเข้าผับษ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ในขณะที่เราทํานั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามาทําก็มีความสุขเราทําแล้วเราก็สบายใจใช่ไม่ใช่บางทีเราสังเกตไม่เห็นว่าขนาดนั้นมันโลภมันกาลังเกิดขึ้นอยู่ในใจทําไปแล้วมันจะเกิดอาการติดนะเกิดอาการเพลิดเพลินเกิดอาการยินดีเกิดอาการติดแล้วถ้าไม่ได้ทํามันจะเกิดอาการขุนข้องหมองห ม, มัวเกิดขึ้น เมื่อที่เราสังเกตไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นไงเพราะท่านสามารถสังเกตสภาพจิตใจได้อย่างละเอียดท่านจึงบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอบายามุกเป็นอบายามุกอย่างหนึ่งหมายถึงปากทางไปสู่ความเสื่อมท่านติเตียนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นอย่าไปทํานะสิ่งเหล่านั้นอย่าไปทําต่อให้มีเงินมีศักยภาพที่จะทําได้เราก็ไม่ควรทํา ถามว่าผิดกฎหมายไม่ไม่ผิดกฎหมายคนทั่วไปทำไหมคนส่วนใหญ่ทำด้วยซ้ำอันนี้คือดูที่คำสอนของวินยูชนนะอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ร่วมนะเกณฑ์ร่วมนะอย่างที่สองเกณฑ์ร่วมอย่างที่สามดูที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างดูที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องสังเกตให้ละเอียดนิดหนึ่งหนึ่งผลกระทบต่อตอนเอง สิ่งต่างๆที่เราทำนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อความรู้สึกต่อความคิดต่อร่างกายหรือต่ออุปนิสัยของเราถ้าเราทำสิ่งนั้นบ่อยๆทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจจิตใจที่ดีงามการเป็นอุปนิสัยที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อไปในการทำหน้าที่หรือสร้างบุญสร้างกุศลหรือเปล่าเป็นการบิดเบียนตัวเองหรือไม่สิ่งที่เราทาในขณะนั้น ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเช่นขณะที่โยมจะไปทำบุญนะแม่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ฝืดเคืองค่าใช้จ่ายก็เยอะนะรายได้ก็มีจำกัดพอทําที่เห็นเขาทํายอะอยากทาเยอะอย่างเขาบ้างเขาบริจาคที่เป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหเราเงินเดือนอยู่สองหมื่นค่าใช้จ่ายจริงๆมันก็เกือบจะหมดแล้วนะถ้าพูดถึงครอบครัวแม่เอาอยากจะทาเป็นหมื่นเป็นแสนบ้างกู้เงินมาทาบุญ การนี้เปลี่ยนตัวเองนีกไหมอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยก่อความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นเป็นแรงผลักดันให้กับโยมละใช่ไหมเมื่อที่อยากจะได้หน้าได้ตาหรืออยากจะให้เขาชมไอ้ น, นั้นกลายเป็นอาการติดละไม่ใช่ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไปกู้เงินมาทําบุญ น, <c oughs> นะหรือมีเท่าไหร่ไม่นึกถึงแล้วว่าในอน า, อนาคตตัเองต้องใช้ให้หมดเลย <c oughs> นะ เสร็จแล้วก็มานั่งรู้สึกเสียดมเสียดายแม้ตอนนั้นทําไมเราให้แล้วเราตัดสินใจยังไงแล้วก็มานั่งอาเป็นทุกข์อยู่อีกนีถ้าอย่างนั้นให้หรือวันนั้นไม่ใช่บุญนะนันไม่ใช่บุญนะเพราะเป็นการบียดเบียนตัวเองทําให้ตนเองนั้นเดือดร้อนนะทาให้ตนเองนั้นเดือดร้อนแต่การเบยดเบียนตัวเองในที่นี้มุ่งหมายเอาในแง่ที่ทําให้ตนเองเดือดร้อนทําให้เกิดภาวะที่ไม่เกื้อกูลนะ แต่บางคนอาจจะทําให้ไม่ถูกใจเช่นนะแม้ถ้าบริจาคแล้วเราจะไปเที่ยวไม่ได้ถ้าบริจาคแล้วจะกลายเป็นบิดเบียนตัวเองอันอย่างนี้เป็นปการบิดเบียนตัวเองไหมเราไปเที่ยวไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นะมันแค่ทําให้เรามันสนองกิเลสเราไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเราเกิดเราให้หรือบริจาคสิ่งเหล่านั้นออกไปถ้าอย่างนี้ไม่ใช่จะเป็นการเบิดเบียนตัวเองนะเข้าใจนะอ้าวอันนี้ดูอย่างแรก เบียดเบียนตนเองไหมทําตนเองให้ลําบากหรือเปล่านะประการที่สองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่านะสิ่งที่เราทํานั้นก่อให้ความเ ก, เกิดความเดือดร้อนเสียหายในสังคมไหมทําให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนทําให้เกิดสภาพที่เป็นอกุศลในใจิตใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ท่านให้เข้ามาสังเกตนี่คือดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในสังคม อตาตมาจะขอยกตัวอย่างอย่างง่ายๆในแง่ของการเบียดเบียนผู้อื่นอ้าวอตาตมาขอถามโยมนะปกติโยมเห็นขอทานนี่โยมเอาเงินให้ไหมอยู่ตามสะพานลอยให้ตอนที่ให้นะั้นโยมรู้สึกยังไงเอ่ยสบายใจแหมได้ทําบุญใช่ไหมแต่โยมคิดว่าทําอย่างนั้นเนี่ยโยมกําลังเบียดเบียนผู้อื่นไหม กำลังเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าฉันไม่ได้เอาเงินของคนอื่นนี่ฉันก็ให้เงินของฉันแล้วฉันเองก็ให้ออกไปนี่แต่ลองมองดูระยะยาวสิเบียดเบียนผู้อื่นไหมยอย่างน้อยที่สุดโยมกำลังตั้งหรือสร้างทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ที่เป็นขอทานใช่หรือไม่ใช่บางคนมาขอทานไม่ใช่เพราะเขาไม่มีงานทานะแต่เพราะเขาไม่อยากทางาน ถ้าเราให้ในขณะที่เขาเดือดร้อนจริงๆเมื่อเขามีเรี่ยวแรงมีกำลังแล้วหรือมีแนวทางอย่างอื่นเขาก็จะออกไปประกอบอาชีพอื่นเคานี้พึ่งตัวเองได้ให้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่เบียดเบียนเขาแต่ถ้ายมให้แล้วทำให้เขาติดอยู่กับภาวะอย่างนั้นนี่ยมกำลังเบียดเบียนเขาไหมทำด้ปัญญาอย่างแท้จริงไหมอ้าวมองไปไกลมากกว่านั้นอีก โยมอาจจะเคยได้ติดตามข่าวหรือได้อ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพวกนี้บางทีมีเป็นแก๊งเลยเป็นพวกมิจฉาชีพเลยนะที่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าอะไรบางทีจ้างมาแล้วทําให้เอาเด็กบ้างเอาอะไรบ้างมาทําให้บาดเจ็บเพียงเพื่อให้คนสงสารแล้วจะได้ได้เงินเยอะๆหรือบางทีเขามีอาชีพขอทานเลย อันนี้เคยเล่าให้โยมฟังนะโยมที่มาประจําเนี่ยคงเคยได้ยินขอทานที่จังหวัดนครปฐมในตลาดเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมียูนิฟอร์มยูนิฟอร์มก็คือชุดขอทานนั่นแหละเอาไปหมักให้ดูเก่าๆให้ดูหน้าสงสารนะแต่ขอภัยนะขอทานที่ขอเงินอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้กับแม่ค้าในตลาด ขอทานนะปล่อยเงินคู่ให้กับแม่ค้าในตลาดรายได้ของเขาเนี่ยเดือนหนึ่งจะอยู่ที่ละล่ะสักสามถึงห้าหมื่นบาทโยมอย่าไปดูถูกเขานะรายได้เนี่ยอาจจะมากกว่ายโยมหลายคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยซ้ำนั่นคือรายได้ของเขาแลวเวลาคนเห็นว่าทำอย่างนี้รายได้มันเยอะเขาอยากทำงานไหมล่ะ ไม่อยากทำงานต่อมามีเป็นแก๊งเลยมีทั้งในแง่ที่เอาคนต่างด้าวเข้ามาบังคับให้ขอทานเขาจะมียอดให้เลยนะเหมือนกับพวก direct s e l เลยวันหนึ่งจะต้องให้ได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ถ้าได้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ถูกทุบตีหรือถูกเขีย่ยตีเพราะว่าไรายได้มันดีไรายได้มันดียมลองไปดูแถวสยามสแควร์คันแล้วกัน แถวนั้นนะตอนเช้าเช้ายอมไปเช้าๆ้าหน่อยนะถ้าอยากดูนะั้นลองไปสังเกตจะมีรถตู้มาปล่อยลงทีละจุดทีละจุดทีละจุ ด, จดตอนกลางคืนก็จะมีรถตู้มารับบางทีเด็กๆอย่างนี้แหละนับเงินไม่ได้บางทีเขาทุบตีอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้ก็ยังนับว่าน้อยนะที่ร้ายซ้ำหนับไปกว่านั้นข่าวเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่แก๊งที่เขาลักเด็กเอามาทาเป็นขอทาน อันนี้ที่อาตมาได้ฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ฟังจากเพื่อนที่ออฟฟิศสักทีหนึ่งนะเขาอ่านในข่าวเชอถ้าจําไม่ผิดจะได้เคยออกไปสัมภาษณ์ในรายการทีวีหรื อ, อยังไงนะอาตมาไม่ได้ดูด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อมูลยังไม่มั่นยํานักนะแต่พอจําเรื่องราวได้นะในเรื่องราวนี้ก็มีอยู่ว่านะมีเด็กอายุประมาณสักสามสี่ขวบหายไปจากบ้านฝ่ายแม่ก็ออกตามหา ตามหายังไงก็ไม่เจอถัาหลังจากนั้นมาอีกประมาณสักสองสามปีได้ในขณะที่เธอเดินแล้วก็เห็นเด็กขอทานคนหนึ่งขอทานเนี่ยแหละนะก็มีขันวางอยู่ข้างหน้าเป็นเด็กแต่ว่าไม่มีแขนทั้งสองข้างเธอเดินผ่านเด็กคนนั้นตะโกนเรียกเธอว่าแม่แม่จาหนูได้หรือเปล่า ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอไปมองหน้าชัดๆปรากฏว่าเป็นลูกของเธอที่หายไปยังว่าความรู้สึกของผู้ที่เป็นแม่จะเป็นยังไงล่ะนั่นแหละเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในสังคมไทยในขณะนี้นะมันดูผลกระทบด้วยบางทีอย่าไปให้ยาไปให้ตามอารมณ์บางทีเราสบายใจถามว่าได้บุญไม่ตอนให้ได้บุญ แต่ว่าผลกระทบในเชิงของผลกระทบในแง่ของทางห้อมเนี่ยบางทีมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมหรือสร้างรูปแบบที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมนี่คือมองผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยถ้าจะให้ยมให้งานดีกว่าให้เงินนะหรือไปสนับสนุนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝึกอาชีพผู้ที่ไม่มีอาชีพดีกว่าหรือแจ้งทางประชาสงเคราะห์ หรือโยมจะตั้งเป็นกองทุนของโยมเองเลยก็ได้ในการที่จะทํานําคนเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาแล้วก็ฝึกอาชีพให้เขาเพึ่งตัวเองได้ให้อย่างนี้มีประโยชน์มากกว่านะยังคําของฝรั่งเขามีอยู่ใช่ไหมว่าจะให้ปลาหรือให้เบ็ดถ้าให้ปลาหมดมือนั้นก็มาขออีกหมดมือนั้นก็มาขออีกตกลงทํามาหากินเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ ก็ถ้ากับโยมกาลังเหยียบคำให้เป็นขอทานอย่างนั้นไปตลอดชาติแต่ถ้าให้อาชีพก็เหมือนให้เบ็ดให้ปลาด้วยให้เบ็ดด้วยเขากินอิ่มแล้วต่อจากนั้นจะได้เอาเรียวแรงเอาเบ็ดนั้นไปตกปลาแล้วก็ทํามาหากินได้เองถ้าอย่างนี้โยมช่วยเขาอย่างแท้จริงนี่คือมองใ น, นแง่ของผลกระทบต่อสังคมอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเพราะว่าอันนี้คนไทยเป็นกันเยอะคนไทยเป็นกันเยอะ เพราะฉะนั้นคิดพิจารณาก่อนก่อนที่เราจะให้ก่อนที่เราจะทำสิ่งที่ทำบุญอะไรก็ตามพยายามดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นนอกจากเราสบายใจนะทำโดยที่ไม่มีกิเลสในจิตใจแล้วลองมองที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมหรือเปล่าช่วยให้เกิดความเครือกวนในสังคมไม้ยทำให้คนในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีหรือเปล่านี่มองในแง่ของผลกระทบต่อผู้อื่น นี่มองในแง่งของผลกระทบต่อผู้อื่นรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมโดยส่วนรวมด้วยทาให้เกิดความเกดคุณขึ้นในสังคมโดยส่วนรวมไหมนะมันเห็นขอทานนะอาตมาแนะนำโยมว่านะสอบถามสักถามดูซะก่อนถ้าเห็นว่ามาขอเป็นประจําแจ้งประชาสงเคราะห์ให้เข้าไปฝึกงานแล้วโยมให้ทุนเ้าในการฝึกงานดีกว่านะให้ให้อย่างนี้จะดีกว่า อย่าเพียงแค่ให้เสร็จเงินแล้วเราก็เดินผ่านไปเลยนะไม่เช่นนั้นแล้วบางทีเรากําลังที่จะสร้างกุปติสัยที่ไม่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับคนในสังคมนะแต่ถ้าเขาหิวข้าวไม่มีข้าวกินจริงๆนะเขาต้องการที่จะหางานทําถ้ายอมช่วยเหลือเญืตอกุณเขาได้นะหรือคนที่เขาบอกอยากจะประกอบอาชีพแต่ไม่มีทุนยังมีทุนทรัพย์มากพอหน่อยหรือไปร่วมกับเพื่อน ให้ทุนทรัพย์ของเขาในการประกอบอาชีพอาจจะไม่ต้องให้ทั้งหมดอาจจะให้เขาผ่อนสูงโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยกับโยม <c oughs> ก็ได้เพราะถือว่าโยมเป็นการทําบุญ <c oughs> ถ้าอย่างนี้มีประโยชน์มากกว่าทั้งในแง่ของผู้ที่เขากําลังเดือดร้อนด้วยและในแง่ของสังคมโดยส่วนรวมให้อย่างนี้จะมีประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าตอนนั้นเขาเดือดร้อนเขาไม่มีจริงๆหิวข้าว หรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้ายอมพอช่วยเหลือเขาได้ในระดับไหนก็ช่วยเหลือคีเ่เนกะี่ยนถ้าอย่างนี้ให้อย่างนี้ยังพอทำนาวหน่อยใช่ไหมใช่ให้อย่างนี้ยังพอทำนาวหน่อยปัจจุบันนี้จะเห็นเยอะเลยนะปัจจุบันนี้จะเห็นเริ่มเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะบางคนแขนขาดีเนี่ยแหละก็ไปเป็นขอทานนะไปทำเป็นตาบอดบ้างนะทำเป็นใบทาเป็นหูหนวกบ้างนะมีเยอะนะในสังคมมนะัน เ, เรื่องของการเนื่องจากรายได้ดีไงพอรายได้ดีคนก็เลยไม่อยากจะไปทํางานอย่างอื่นก็อยากจะทําอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นอ้าวนะ อ, นะอันนี้มองถึงผลกระทบในสังคมนะอา้าวอันนี้เป็นเกณฑ์นะเกณฑ์หลักกับเกณฑ์ร่วมในแง่ของการทําบุญทํากุศลนะเมื่อกี้มองในแง่ของเกณฑ์หลักเกณฑ์ร่วมในแง่ของเชิงของการให้ทานยังโยมมาปฏิบัติธรรมนี้ หรือการการที่โยมมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เป็นการทําบุญไม่เอ่ยถ้าโยมตั้งเจตนาถูกเป็นการทําบุญนะเราลองมาวิเคราะห์ ก, กันดูนิดหนึ่งถ้าโยมตั้งเจตนาในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่ฉันอยากจะได้อะไรแต่ให้เกิดความค่อยคุณเกิดขึ้นขณะนั้นไม่มีความโลภความโกรธความหลงอย่างน้อยรู้เข้าใจเป็นการฝึกการพัฒนาเพื่อให้เกิดความค่อยคุณความจริงามเกนหลักอย่างแรกผ่านนะ ในขณะที่ยมทําไม่ใช่อยากได้ภาวะแต่ต้องการพัฒนาต้องการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีงามเกิดขึ้นในขณะที่ยมทําอย่างนั้นยมจะเกิดความภูมิใจเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นเกณฑ์หลักสองอย่างผ่านนั่นเป็นบุญกุศลแน่ประการที่สามบิดเบียนตัวเองไหมในขณะที่ทําเช่นนั้นไม่ได้บิยดเบียนตัวเองใช่ไม่ใช่แต่อย่าโดดงามนมาปฏิบัติธรรมนะ <laughs> จัดเวลาให้เหมาะสมนะอย่าไปเอาปฏิบัติทําเป็นข้ออ้างอะไการที่จะหลีกหนีจากบางสิ่งบางอย่างนะอันนั้นไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นอาจจะเบียดเบียนตัวเองแล้วอาจจะเบียดเบียนที่ทํางานหรือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราจัดเวลาให้เหมาะสมนี่ไม่บียดเบียนตัวเองเบียดเบี ย, บย น, นผู้อื่นแล้วเกื้อกูลต่อผู้อื่นเพื่อนมาถามเฮาเรามาปฏิบัติธรรมนี่ยทําแล้วรู้สึกจิตใจดีงามเกิดความปลอดโปร่งผ่องใสสบายใจ ในแง่เราพอสบายใจมีความสุขแล้วกลับออกไปสู่สังคมหรือไปปฏิบัติจิหน้าที่การงานท่าทีที่เรามีต่อผู้อื่นจะเป็นยังไงดีงามใช่ไหมนี่ก็จะกลับกลายเป็นเครื่อกูลต่อผู้อื่นอย่างที่สองที่โยมอาจจะนึกไม่ถึงคือในขณะที่โยมทำบ่อยๆอย่างเนี้ยอย่างน้อยที่สุดโยมมาพาลูกมาด้วยหรือเพื่อนได้ยินพ่อแม่ได้ยินอ้าวลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือลูกฝึกจิตใจนะอยู่บ้านก็ไหว้พระสวดมนต์นะ แดิจนจงกรมนั่สมาธิฝึกจิตให้ดีงามตั้งเจตนาดีงามมีเมตตาต่อผู้อื่นขณะนั้นโยมกําลังเป็นแบบอย่างให้กับคู่ผู้อื่นในสังคมต่อไปคนอื่นเขามีปัญหาให้เห็นถ้าทาอย่างนี้แล้วเขาสบายใจเนี่ยเห็นเขาทาอย่างนี้แล้วประสบความสําเร็จคนอื่นก็อยากที่จะทําตาม ใ, มใช่ไม่ใช่นี่กลับกลายเป็นากการกระทําของโยมนั้นกลับเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นอีกโดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสําเร็จเนี่ย เราทำอะไรเนี่ยคนอื่นกําลังมองอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าเราทําสิ่งที่ดีและเราประสบความสําเร็จด้วยจะความสําเร็จที่เราทําแล้วก็สิ่งที่เราดีที่ที่เราทำนั่นแหละกลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้อื่นอยากจะทําหรือประพฤตาิปฏิบัติต่างอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านทําบ่อยๆให้ลูกเห็นเดี๋ยวต่อไปลูกก็ทําทติดเป็นนิสัยเองมีอะไรก็ก็จะนึกถึงในเรื่องของสิ่งที่ดีงามแบบนี้ไม่ไปข้องแว๊ก กับเรื่องพวกอบายยมุกหรือไปหาความสุขจากสิ่งเสศนั่นแหละโยมกําลังช่วยลูกๆของโยมเพื่อนที่ทํางานเห็นเฮ้ hey, ไม่สบายใจเออเห็นเธอไปทําที่นั่นที่นี่เอาอยาไปบ้างนั่นแหละโยมกําลังช่วยเพื่อนเป็นแบบอย่างแล้วใช่หรือไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ก่อให้เกิดความเกือ้อกูลในสังคมยิ่งเราทําเป็นกิจวัตรทําให้คนอื่นเห็นก็ยิ่งก่อให้เกิดความเกือ้อกูลทําให้ผู้อื่นอยากประพฤติอยากปฏิบัติ แล้วก็อยากทำตามแนวทางอย่างนี้ตามคราวนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อคนส่วนใหญ่เข้ามาทำในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ทุกคนก็จะเกิดสภาพจิตใจที่ดีงามเกิดความผ่องใสคราวนี้การอยู่ร่วมกันเป็นยังไงเอ่ยกลับมีความสุขกลับเกื้อกูลทันทีใช่ไหมใช่มันอย่างเจ้าของกิจการต่างๆนะอย่างตอนนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐหรืออย่างโรงพยาบาล ย, ายกตัวอย่างอย่า ง, างเช่นสีราษ เขอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติธรรมได้สิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งโดยที่ไม่นับเป็นวันลาเขาต้องการส่งเสริมส่งเสริมตรงส่วนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อคนไปปฏิบัติธรรมพอจิตใจดีงามเนี่ยตอนกลับมาทํางานอีกทีหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันแตกต่างออกไปอาการที่กระทบกระทั่งกันนะมีน้อยลงดีกว่าไปเข้าคอร์สแบบฝรั่ง ไปนั่งฟังบรรยายเสร็จกลับมาก็ยังอุปนิสัยเหมือนเดิมจิตใจก็ไม่ได้สงบเท่าไหร่มีแต่อยากได้มากขึ้นหรืออยากเด่นมากขึ้นใช่ไม่ใช่ในถ้าเราเอื้อเกื้อกูลอย่างนี้เนี่ยในขณะที่ยมเอื้อเกื้อกูลอย่างนั้นยิ่งเป็นการทําบุญขึ้นไปอีกเป็นการสร้างให้เกิดสังคมที่ดีงามในเกื้อกูลต่อบุคคลอื่นและเกื้อกูลต่อสังคมนะปัจจุบันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะที่พยายามที่จะให้มีการฝึก พัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาในหน่วยงานมีการให้มนุ์พระไปบ้างหรือมีวิทยากรมาฝึกให้ในที่ทํางานบ้างเพื่อจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสสงบตั้งมัน่นรู้สึกซิปมีความเสียสละพวกนี้เปลี่ยนจากภายในแล้วมันจะออกมาสู่ในเรื่องของผลกระทบต่อ ก, การทํางานและการอยู่ร่วมกันรวมไปถึงการทํางานจะมีการประสานสอดคล้องกันมากขึ้นการทะเลาะเบาแหวงการแข่งขันกันน้อยลงแต่มุ่งหมายในแง่ของการพยายามทํางาน เพื่อจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามออกไปสู่ประชาชนออกไปให้กับสังคมอย่างเต็มที่เนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากภายในเขาได้อย่างนี้เนี่ยในเรื่องของเทคนิคต่างๆในวิชาชีพกลับจะมาช่วยเสริมให้คนทําคุณงามความดีได้มากขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นตามลําดับอ่าพอแยกก อ, อกหไวอยังเอง่ยอะไรคือบุญอะไรคือบาอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศล มันให้ยมพยายามสังเกตในชีวิตประจำวันเอาไวา้สิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นสิ่งใดเป็นกุศล <c oughs> พยายามทำสิ่งนั้นให้มากทำให้บ่อยทำให้ติดเป็นนิสัยสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดเป็นบาปหลีกเลี่ยงอย่าไปทำสำรวมระมัดระวังถ้าทำอยู่ให้เลิกเสียใครทํายทอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่ากำลังปฏิบัติตามคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในขณะนั้นก็เรียกว่าโยมกำลังปฏิบัติธรรมเหมือนการปฏิบัติธรรมนั้นจริงไม่ใช่มาแค่ที่วัดเท่านั้นในทุกๆขณะของโยมเลยนะอยู่ที่โยมจะทำไหมทุกครั้งที่โยมตั้งเจตนามีสติในการระลึกมีปัญญาในการพิจารณาทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกขึ้นในใจสังเกตก่อนที่จะพูดก่อนที่จะกระทำออกไปสังเกต ทำได้อย่างนี้ถ้ากับว่าโยมก็กำลังปฏิบัติธรรมอยู่อาวนะวันนี้คุยไปคุยมาแป๊บเดียวก็หมดหนึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เที่ยงสิบนาทีแล้วก็คงหยุดแค่หัวข้อของเพียงแค่แนะนำในเรื่องของบุญแล้วก็กุศลแล้วก็บาปหรืออกุศลส่วนวิธีการในการทำบุญหรือทำกุศลนั้นมีวิธีการอย่างไรเราจะมาคุยกันต่อในวันเสาร์หน้าวันนี้มีคาถามอะไรไม่เอ่ย จเจริญพรความกลัวนี่ยมลองหลับตาดูอาการนิดหนึ่งถ้าเป็นอาการอึดอัดบีบคั้นพวกนั้นเป็นโทสะแต่ถ้าเป็นอาการซัดสายกังวลพวกนี้เป็นโมหะแต่จริงๆโมหะมันจะมีเจืออยู่ตลอดถ้ามีโลภะโทสะเนี่ยโมหะมีอยู่ตลอดเพียงแต่ขณะที่กลัวนั้นเกิดอาการยังไง บางคนหวาดระแวงแต่ในขณะที่กลัวโยมลองสังเกตกันละกันมันจะมีอาการติดหัดหรือเปล่าถ้ามีอาการติดหัดบีบคันด้วยมีทั้งโมงหะและโทสะผสมกันจเจริญพรอ้อาวน ะ, จะเจริญพรถ้าไม่มีคาถามอะไรวันสารนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ฝนะากโยมไปปฏิบัติต่อที่บ้านด้วยนะอธิษฐานละครั้งไม่พอนะต้องไปปฏิบัติต่อที่บ้านด้วย แล้ววันนี้ที่เราได้เรียนว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลโยอมอาจจะไปนั่งทําเช็คลิสต์ดูก็ได้ในหนึ่งวันนะสิ่งที่เป็นกุศลเราทํากี่ครั้งนานแค่ไหนอกุศลทากี่ครั้งนานแค่ไหนนะจะได้เอาไว้ฝึกเอาไว้คอยพัฒนาตัวของเราเองด้วยอ้าวนะลําดับต่อไปเดี๋ยวก็ขอเชิญโยมแผนเน่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน